พระสมถะญานิกเมื่อสาเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจัดแยกเป็นสองประเภทคือพระปัญญาวิมุตตและพระอุปโตภาคาวิมุตตท่านที่ได้ฌานสมาบัติเพียงชั้นรูปฌานคือไม่เกินจตุตฌานเป็นปัญญาวิมุตตท่านที่ได้อารูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่งตลอดถึงได้สัญญาเวทยิตนิโรธเป็นอุปโตภาคาวิมุตตส่วนพระวิปัสสนาญานิก เป็นพระอรหันต์ได้แต่ประเภทปัญญาวิมุตตอย่างเดียวและในชั้นอัตถกาถาท่านบัญญัติชื่อให้เป็นพิเศษเรียกว่าพระสุขาวิปัสสกะแปลว่าผู้เห็นแจ้งอย่างแห้งแง้งเพราะไม่ได้ฌานมาก่อนเจริญวิปัสนาพระสุขาวิปัสสกะนี้เป็นอันดับสุดท้ายในหมู่พระปัญญาวิมุตตโดยในยะนี้พระอัตถกาถาฌานจัดแบ่งพระอรหันต์ออกไปเป็นสิประเภท เป็นพระอุปโตภาคาวิมุตหพระปัญญาวิมุตหจัดเรียงจากสูงลงไปดังนี้กลุ่มที่1กลุ่มกพระอุปโตภาคาวิมุตมีห้าประเภทได้แก่ 1. พระอุปโตภาคาวิมุตผู้ได้สัญญาเวทยิตานิโรธ 2. พระอุปโตภาคาวิมุตผู้ได้เนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตสา พระอุปโตภาคาวิมุตตผู้ได้อากินจัญญายะตนะสมาบัติ 4. พระอุปโตภาคาวิมุตตผู้ได้วิญญาณัญจายะตนะสมาบัติ 5. พระอุปโตภาคาวิมุตตผู้ได้อากาสา น, านัญจายะตนะสมาบัติกลุ่มที่สองกลุ่มขอพระปัญญาวิมุตตมีหประเภทนับต่อจากพระอุปโตภาคาวิมุตตได้แก่ พระปัญญาวิมุตต์ผู้ได้จะตุทะฌานเจ็ 7. พระปัญญาวิมุตต์ผู้ได้ตัติยะฌานแปดพระปัญญาวิมุตต์ผู้ได้ทุติยะฌานเก้าพระปัญญาวิมุตต์ผู้ได้ปฐมฌานซึ่งได้ก่อนทำวิปัสนาสิ 10. พระปัญญาวิมุตต์ผู้เป็นพระสุขาวิปัสสะได้แก่พระวิปัสนาญาณิอันดับที่หนึ่งถึง เป็นสมัตญานิกอันดับที่ส0อันดับสุดท้ายเป็นวิปัสสนาญาณิกหรือสุทธวิปัสสนาญานิกคำว่าสมัตญ า, าิกวิปาาัสสนาญาิกสุทธวิปัสสนาญาณิกสุขวิปัสสกะเป็นคำในชั้นอัตถกถาทั้งนั้นสำหรับพระอุปโตภาควิมุตติอย่างที่หนึ่งคือผู้ได้สัญญาเวทยิตาเิโรธนั้นพึงทราบว่าสมาบัติสูงสุดข้อนี้ พึ่งได้เมื่อเป็นพระอนาคามีไม่เหมือนสมาบัติข้ออื่นทั้งหมดซึ่งอาจได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติทั้งนี้เพราะสมาบัติแปดอย่างแรกเป็นผลของสมถะอย่างเดียวส่วนสัญญาเวทีตนิโรธเป็นผลของสมถะและวิปัสสนาร่วมกันเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาศัยกําลังสมถะที่บริบูรณ์คือสมาธิที่บริสุทธิ์มีกําลังเต็มที่ไม่มีเชื้อ karma ฉันทะ ที่จะรบ ก, กวนได้กามฉันทะก็คือกามราคะเป็นสังโยชน์ที่พระอนาคามีขึ้นไปจึงจะละได้ดังนี้จึงมีแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์ผู้ได้สมาบัติแมาก่อนแล้วเท่านั้นที่จะเข้าสัญญาเวทยิยตนิโรธได้เรื่องสมถญ า, านิกและวิปัสสนายานิกยังมีข้อควรทราบเพิ่มเติมอีกแต่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะพูดต่อไปจึงจะกล่าวถึงในตอนถัดจากนี้